ขอนอบน้อมพรัฒนาัยข อ, อากาศเพื่อนจะทำมิทุกท่านจเจริญในธรรมไม่ขีแลวก็ยาติธรรมทุกคนพวกเราก็ได้ลองดูดีๆเมื่อกี้เราเราสวดมงคลของชีวิตนะเรียกว่ามงคลสูตรมงคลของชีวิตมีสามสิบแดประการ เราลองทบทวนดูแต่ละบุคคลเรามีสิ่งที่ได้ทำในชีวิตนี้เป็นมงคลมากน้อยสักเท่าไหร่นะตั้งแต่เริ่มแรกการครบคนพานหรือว่าเราเลือกคบบัณฑิต เ, เราก็เลือกดูว่าในชีวิตของเราเป็นแบบไหน เ, เราอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็น สิ่งแวดล้อมที่ชวนเราหลงนะหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับอาปาญมุกหรือว่าสิ่งแวดล้อมชวนให้เราเป็นคนดีเป็นคนที่มีสินมีธรรมนะบางทีเราก็อย่าไปคิดว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เราเราเลือกไม่ได้นะนะขาเราก็มนะีมือเราก็มีสมองเราก็มีแต่บางทีก็ขาเราแหละ พาเราเดินไปเข้าผับเข้าบาร์มือเราเนี่แหละไปหยิบแก้วเหล้ามากินใช่ไหมมือเราเนี่แหละไปขีบบุหรี่มาสูบมือเราแหละจุดไฟเช็คมันอยู่ที่ไห น, นาบางทีเราจะไปคิดว่าเพื่อนชวนเราคนสังคมเขาพาเป็นเช่นนั้ น, นถ้าเราคิดเช่นนั้นนะมันมีแต่ว่าเราอ่อนแอไปเรื่อยเพราะว่าเขาเป็นแบบไหนสังคมแบบไหนเราก็จะเป็นตามเขาไปเรื่อย แต่แท้จริงแล้วถ้าเราลองกลับมาทบทวนดีๆนะชีวิตมันอยู่ที่การลิขิตของเราเองนะถ้าเราอยากจะลิขิตชีวิตไปในเส้นทางไหนเราย่อมสามารถทำได้มันอยู่ที่ความตั้งใจที่จะลิขิตชีวิตของเราหรือเปล่าถ้าเรามีความตั้งใจที่จะลิขิตชีวิตเราไม่ไม่ยากเกินไปหรอกนะในการที่เราจะสามารถพาชีวิตเราไปในทางที่ที่เป็นมงคลนะ หรือในทางที่ดีคนส่วนใหญ่ก็มักจะยอมแพ้ตรงนั้นแต่ถ้าคนมีปัญญาเขาจะเห็นความทุกข์หรือว่าสามารถได้ขิดชีวิตเขาได้อย่างพวกเราส่วนใหญ่หลายคนกําลังเป็นเรียกว่าเป็นนักศึกษาเนาะเป็นนักศึกษาพยาบาลเร้าทํางานเราก็ต้องเจอนะอยู่ในโรงพยาบาลเจออะไรบ้างที่จริงเจอตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงคนตายเนาะ ืเจอคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายมาในที่นี้เราก็มาเจอพระเจอสมณะเจอแม่ชีเจอนักบวชที่จริงพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะบวชท่านก็เห็นตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเห็น เ, เทวทูตทั้งสี่คือเห็นคนแก่แต่ก่อนท่านอยู่ในภราสาราชวังไม่เห็นคนแก่เลยนะ ถ้าก็มาเห็นคนแก่ก็รู้สึกแปลกใจว่า้สักวันหนึ่งเราต้องแก่แบบนี้หรือเปล่าไปเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภัยก็มาคิดว่าเขาเป็นได้เราก็น่าจะเป็นได้เหมือนกันเนาะสุดท้ายไม่ใช่สุดท้า ย, อาายลองสุดท้ายท่านเห็นคนตายเห็นคนนี้ทําไมโดนคนหามไปจะไปเผาไปทิ้งแม่น้ําเพราะว่าเขาตายแล้ว สุดท้ายท่านเห็นพระเหตุสมณะเห็นผู้ออกบวชท่านเห็นเทวทูตทั้งสี่เนี่ยท่านได้คิดว่าเราจะต้องหาทางออกจากวงจรตัวนี้ให้ได้วงจรจากการที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายการบวชน่าจะเป็นทางออกอย่างหนึ่งที่ท่านทําให้ท่านออกจากความทุกข์ได้หรือการบวชอาจจะเป็นหนทางหนึ่งที่ท่านสามารถช่วยเพื่อนร่วมโรคหรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้ออกจากวงจรนี้ได้แต่บางทีเราก็เห็นกันเนาะเห็นกันเหมือนเห็นกันอยู่เป็นประจำพระก็ไม่รู้เห็นมากี่วัดกี่รูปนะคนตายก็เห็นกันมาบ้างนะคนแก่ก็เห็นเยอะแยะคนเจ็บนี่ก็มากมายนะทั่วโรงพยาบาล น, นะแต่ทำไมเราไม่คิดได้เหมือนพระพุทธเจ้าว่างล่ะ <c oughs> มันก็น่าแปลกเนาะทั้งทั้งเราก็เราก็เห็นเหมือนกันเราก็ รูเหมือนกันว่าธรรมดาของคนทุกคนก็เป็นเช่นนั้นท่านั้นมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่ปัญญาของเราในการไขขวนถึงชีวิตนะพอเราตระหนักว่าอ้อเราก็มีการแก่การเจ็บการตายเช่นกันทุกคนแต่บางครั้นี้มันอยู่ที่ว่าคนเมื่อเห็นแล้วคนจะเลือกเดินไปทางไหนบางคนก็เลือกที่จะหาทางออกจากความทุกข์จากสิ่งต่างๆเหล่านั้น แต่บางคนก็คิดว่าจะพอใจอยู่กับสิ่งนี้นะต่อไปเรื่อยเออแก่ก็ไม่เป็นไรนะแก่ก็ค่อยๆเรียกว่าหาเครื่องบาบัดให้มันแก่แบบไม่แก่มากให้มันดูดีนะเจ็บก็คิดว่าการแพทย์พยาบาลจะช่วยเราให้เจ็บไม่มากตายก็หวังว่าเดี๋ยวมันก็จะดีของมันเองเราก็คิดว่ามันจะดีของมันนะ แต่แท้จริงแล้วเรามีความมั่นใจสักกี่เปอร์เซนต์ว่ามันจะเป็นอย่างที่เรายัางเป็นอย่างที่เราคิดได้เราก็เคยเห็นเนาะบางคนไม่ทันเตรียมตัวไม่ทันจะแก่ก็เจ็บแล้วนะบางคนเป็นไวรุ่นก็เป็นโรคมะเร็งก็มีบางคนขับรถหรือว่านั่งรถไม่ได้ขับเองประสบอุบัติเหตุพิการก็มีใช่ไม หรือบางคนก็ตายเลยก็มีเราเห็นว่าที่จริงวงจรชีวิตพวก น, นี้ยบางทีมันสามารถเรียกว่าเกิดขึ้นมาแทรกซ้อนได้นะความเจ็บก็ดีความตายก็ดีมันสามารถเข้ามาแทรกซ้อนได้ถ้าเราเห็นว่าชีวิตมันเป็นชิ้นนี้นะคนที่มีปัญญานะก็จะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตไม่ต้องรอว่าเราต้องแก่ก่อนค่อยปฏิบัติธรรม ไม่ต้องรอว่าเราต้องมาบวชก่อนหรือมาอยู่วัดก่อนค่อยปฏิบัติธรรมแต่คนที่มีปัญญาจะเห็นว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนเราจะตายวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็ไม่รู้เราจะป่วยวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ไม่รู้นะแต่ความแก่ก็มีอยู่ทุกขณะทุกลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วถ้าคนที่มีปัญญาจะเห็นว่าชีวิตมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรประมาท ไม่ควรที่จะรอช้าควรที่จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะนะถ้าเรามีความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะชีวิตของเราก็จะเป็นเรื่องที่เป็นมงคลนะเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะถ้าเราเห็นว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เราสามารถคิดได้หรือว่าเลือกที่จะเดินได้ถ้าคนที่มีปัญญาก็จะเลือกเดินในทางที่ดีแน่นอนบางทีในสิ่งแวดล้อมอาจจะมีสิ่งที่ชวนให้เราหลง หรือว่ามาล่อมาหลอกให้เราไปหลงเพลิดเพลินหรือให้เราประมาทแต่ถ้าเราตั้งใจดีๆตั้งสติดีๆนะจะไปถือว่าสิ่งพวกนั้นเป็นอุปสรรคนะให้ถือว่าเหมือนเป็นอุปกรณ์ในการทดสอบใจเราว่ามันเข้มแข็งมัมม่นคงดีไหมนะอย่างเช่นเอาง่ายๆเช่นเราปฏิบัติธรรมตอนเนี้นะพระา อ, าอาจารย์กอาจจะให้พวกเราตั้งใจปฏิบัติทั้งวันนะไม่ให้พวกเราคุยกัน ไม่ให้พวกเราเรียกว่าไปย่อหย่อนในทางใดทางหนึ่งอันนี้ก็เป็นการทดสอบนะเราจะมาไปมองว่าเป็นการบังคับเป็นการเข้มข้นนะแต่ถ้าเรามองว่าเออเป็นการทดสอบดูว่าใจเราจะรู้สึกแบบไหนถ้าไม่ได้คุยกับเพื่อนสักเจ็ดวันนะจะเป็นแบบไหนนะมองหน้ากันอยู่ด้วยกันแต่ไม่ต้องคุยกันเราจ เราจะกลับมาเห็นใจของเราว่าอ๋อใจมันอยากจะคุยเนาะใจมันอยากจะพูดเนาะใจอยากจะหออะัวเราะเนาะใจมันคิดนั่นคิดนี่เนาะเราก็จะกลับมาเห็นว่าอ๋อเมื่อเราบางทีเราพูดออกไปเราจะไม่เห็นใจของเราเพราะว่าเราจะไปนสนใจในสิ่งที่เราพูดแต่ไม่สนใจว่าเรารู้สึกแบบไหนแต่ถ้าเมื่อไใ่ที่เราบางทีไม่ได้พูดเราจะเห็นใจตัวเองชัดขึ้นอ๋อมันมีความอยากแบบเนี้ยนะ ตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้เราไม่เคยหยุดพูดสักวันเลยอพอวันนี้เราหยุดพูดเป็นแบบไหนน้อมันก็จะเห็นความรู้สึกตอนนี้นเห็นความรู้สึกในใจของเราเลยตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยมายกมือมาเดิจนจงกรมแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยทำไมมันเป็นแบบนี้นทำแต่ท่าเก่าๆทำแต่รูปแบบเดิมๆบางทีก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำไปทำไมทำไปอย่างนั้นแหละ บางคนก็อาจจะเต็มใจมาบางคนก็อาจจะโดนบังคับมานะแต่ถ้าเรามองอยู่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการบังคับนะแต่ถ้าเรามองว่าสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์มันอยู่ที่ทตรงไหนเนะไนะห น, หนเมื่อมาแล้วอย่าไปมองว่าเราอยากมาหรือไม่อยากมาอันนั้นมาผ่านมาแล้วนะเหมือนกับเราเกิดมาโยมนะเหมือนเราเกิดมาเมื่อเกิดมาแล้วจะไปคิดทำไมว่มาเกิดมาทาไมใครให้ทาให้เราเกิดนะแต่เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีชีวิตต่อไปนะ เรากต้องเดินต่อไปดังนั้นเมื่อเรามาอยู่ยที่วัดแล้วเลิกคิดเลยว่าเราเต็มใจหรือไม่เต็มใจมาเต็มใจปฏิบัติหรือไม่เต็มใจปฏิบัติเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราต้องตั้งใจปฏิบัติเพราะว่าอะไรเรากลับมามองที่ตัวประโยชน์นะตรงนี้แหละเราจะได้ประโยชน์ประโยชน์ในการได้ฝึกใจของเราใจที่ไม่เคยฝึกเนี่ยเป็นใจที่เรียกว่าพาเราไปหยิบแก้วว่าเล่าพาเราไปสูบบุหรี่ สุดท้ายถ้าถึงที่สุดมันเครียดมากๆก็พาเราไปหยิบปืนหยิบยาฆ่ า, มาแมลงมากินมาฆ่าตัวตายไม่มีอะไรสั่งนะมีแต่ใจเราเนี่ยแหละนะไม่มีเพื่อนมาสั่งให้เราไปทำเช่นนั้นหรอกนะมีแต่ตัวเราเองนะที่ไปสั่งเนี่ยถ้าเรามามาฝึกใจของเราให้ดีในวันนี้น ะ, นะต่อไปเราจะเป็นผู้ที่เรียกว่ามีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นผู้ที่มีจิตใจที่มั่นคงแม้ ชีวิตข้างหน้าอาจจะไม่ได้โด ย, โ ด, ยด้ยกยีบกราบจะไม่ได้ปูดได้พรมสีแดงนะแต่ชีวิตของเราจะเข้มแข็งมั่นคงแข็งแกร่ ง, งโดยการที่มีสติมีปัญญานะถ้าเรามีสตินะจะทำให้ชีวิตของเราเรียกว่าไม่หลงไปไกลเนาะอาจจะมีความคิดบ้างอาจจะมีความหลงบ้างแต่สติน่จะช่วยให้เราระลึกได้ว่าอ๋อเราหลงไปแล้วนะ หลงไปคิดแล้วหลงไปโกรธแล้วหลงไปโลภแล้วหลงไปชังแล้วนะหรือวิงีก็หลงไปรักหัวปักหัวปาก็มีมันหลงเกินไปแล้วนะกลับมาดีกว่านะเมื่อไรที่เรา อ, อกหักโอ้ดูตัวนะเออมันหลงไปจมกับความทุกข์แล้วแล้วก็กลับมาเนะี่ยสติจะช่วยให้เรากลับมาที่จริงสติหรือว่าธรรมะเนี่ยมันใช้ได้ในชีวิตประจําวันของเราทุกอย่างแหละนะ แต่ในวันนี้เรามาฝึกให้มันเข้มแข็งก่อนแต่ตอนจริงๆแล้วเราใช้ในชีวิตประจำวันของเราเลยนะตั้งแต่ตื่นจนหลับในชีวิตประจำวันของเราถ้าเรามีสตินะมันจะมีปัญญาด้วยนะแต่ถ้าไม่มีสตินะอย่าหวังว่าปัญญาจะมาเพราะว่าอะไรปัญญามันไม่มาถ้าเราไม่มีสตินะต้องรู้ตัวก่อนว่าเรากำลังทำอะไรหรือรู้ตัวว่าตอนนี้กำลังทุกข์ใจมันจะทาให้ปัญญา มาพาให้ออกจากความทุกขนะ์ความรู้ตัวเนี่ยคือปัญญาจะพาเราออกจากความทุกข์ทั้ะนั้นที่จริงอยากให้พวกเราได้เห็นคุณค่าของการมาฝึกปฏิบัติธรรมเนาะมมีคุณค่ามากมายเลยอย่างที่เราได้สวดก็จะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าการประพฤติธรรมเนี่ยก็เป็นมงคลอันสูงสุดนะการได้ฟังธรรมก็เป็นมงคลอันสูงสุดนะการได้พบเห็นผู้สงบจากกิเลสก็เป็นมงคลอันสูงสุด การที่เราเข้าถึงอริยสัจคือความจริงของพระอริยเจ้าก็เป็นมงคลอันสูงสุดการที่โลกธรรม ท, ทั้งหลายเกิดขึ้นโลกธรรมคือดินทาบ้างสรรเสริญบ้างสุขบ้างทุกบ้างได้ราบบ้างเสื่อมราบบ้างได้ยศเสื่อมยศบ้างอันนี้เขาเรียกว่าโลกธรรมเกิดขึ้นเกิดกับทุกคนนันแดะนะเกิดขึ้นแล้วจิตของเรา ไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่โลกธรรมเกิดขึ้นอันนี้นก็เป็นมงคลอันสูงสุดที่จริงมงคลในชีวิตของเรานะมีมากเลยนะเพียงแค่เรามาอยู่วัดตนะี้เราจะมีมงคลในชีวิตมากเลยนะในการที่เกิดขึ้นกับตัวของเราเองเพียงแต่เราต้องมาเสริมให้มันเข้มแข็งมากขึ้นเนาะให้มองว่าในการมาเยี่วัดครั้งนี้ปฏิบัติธรรมครั้งเนี้ยมันมีประโยชน์กับคุณค่าของชีวิตของเรามากมันมีสิ่งที่เป็นมงคลกับเรามากนะ แล้วก็มันจะเป็นตัวที่จะช่วยให้เราได้ใช้ชีวิตในทางที่ดีนะมากขึ้นเรื่อยๆนะชีวิตในทางที่ดีเนะี่ยเป็นสิ่งที่ที่เราต้องค่อยๆสร้างด้วยตัวของเราเองเนาะจะ่คิดว่ามันจะดีด้วยตัวของมันเองนะมันมีแต่เสื่อมไปถ้าเราไม่เคยฝึกจิตฝึกใจนะพระพุทธองค์ท่านเปรียบเทียบจิตของคนเปรียบเหมือนกับกระแสน้ำนะ น้ำย่ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำจิตของปุถุชนคนธรรมดาที่ไม่เคยฝึกหัดก็เช่นเดียวกันจะไหลจากจิตที่สูงไปสู่จิตที่ต่ำไหลจากจิตที่สะอาดไปเป็นจิตที่สโปรกคล้ายๆเหมือนกับเสื้อผ้าของเราเลยนะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะมันไม่ได้สะอาดเองนะแม้เราไม่เคยใส่นะแต่มันก็จะมีฝุ่นหรือว่ามีคราบ เือใครหรือว่าค่าปลาขึ้นมาหรือฝุ่นมาจับนะเสื้อของเราแม้ไม่ใส่เจ็ดวันหรือหนึ่งเดือนมันก็สกรปรกขึ้นจิตของเราก็เหมือนกันนะแม้ไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็เสื่อมลงสกรปรกไปเรื่อยๆดังนั้นการที่เรามีชีวิตอยู่ถึงตอนเนี้ยนะสิบกว่าปียี่สิบปีหรือมากกว่านั้นก็ดีแล้ว่าจิตของเราก็เรียกว่ามันสกรปรกนะตามการเวลาไปเรื่อยๆ แต่แท้จริงแล้วจิตที่มันสกโปกนะมันก็เป็นสิ่งที่สามารถชำระได้นะเราอาศัยสติปัญญาเนะี่ยคอยชำระจิตให้หายจากความสกโปกเรามาคอยรู้สึกตัวทุกครั้งนั่นแหละเป็นการชำระจิตให้สะอาดแล้วเวลาที่เราเห็นกิเลสเกิดขนะึ้นเน่ยอันนั้ดีนะปฏิบัติธรรมแล้วเห็นกิเลสเนะี่ยถือว่าเห็นของดีปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วเห็นจิตมันฟุ้งซ่านนะ ถือว่าเห็นของดีนะเราไม่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้มันสงบเฉยๆให้มันนิ่งๆนะถ้าสงบเฉยๆนิ่งๆมันก็ไม่เหมือนกับก้อนหินนะไม่เหมือนกับเสาไม้นะเขาเฉยๆเขานิ่งๆเขาไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นแต่เราปฏิบัติธรรมเหมือนคนธรรมดาเนี่แหละนะแต่พออารมณ์เกิดขึ้นเรารู้ทันนะเมื่อจิตวันไหวรู้ทันนะเมื่อมันง่วงนอนรู้ทัน เมืม่อมันฟุ้งซ่านไปหาแฟนเรารู้ทันเมืม่อมันไปคิดนอกเรื่องอดีตอานาคตอ่ะรู้ทันนะ น, นี่คือการฝึกสติจะทําหน้าที่รู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นนะในใจก็ดีหรือบางทีก็รู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นที่มันกระทบทางตาหูจมูกกายใจก็ดีมันจะรู้ทันตรงเนี้ยเมื่อเรารู้ทันแลมันก็จะไม่หลงนะมันก็จะไม่หลงไปนะแต่ถ้าเราไม่รู้ทันนะมันจะลากเราไป น่ยเห็นไหมถ้าเรารู้ทันมันจะไม่หลงมันจะกลับมารู้ตัวแต่ถ้าเราไม่รู้ทันเราจะโดนมันลากไปนะลากไปสุขลากไปทุกข์ลากไปร้องไห้เสียใจนะลากไปค่ําควรไข้ควรอะไรต่างๆก็ไม่รู้เนี่ยคือเราไม่รู้ทันเนะเาะก็พวกเราให้เห็นคุณค่าของการฝึกปฏิบัตินะว่ามีประโยชน์มากมายอย่ารอให้เท่าให้แก่ อย่ารอให้สายใกล้จะตายแล้วค่อยมาเรียกว่าฝึกใจนะอย่ารอเวลาไหนวันนี้ชั่วโมงนี้นาะทีนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีที่สุดของเราถือ่เป็นช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราแล้วนะถือว่าพวกเราทำตอนนี้ให้ดีที่สุดนะแล้วคราวนี้เรื่องการปฏิบททัติธรรมเราจะทำแบบไหนล่ะนะการปฏิบททัติธรรมนะในการเจริญสติเนี่ย ก็คือเราเน้นที่การมีสติเป็นตัวนำหน้าจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติสติก็อย่างที่เราอาจจะรู้นะเรียกว่าการระลึกได้คือระลึกรู้ว่ากายเนี้ยกำลังทำอะไรอยู่นะหรือร ล, ลึกรู้ว่าจิตตอนเนี้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นกับจิตนี่คือการระลึกได้นะไม่ใช่ไประลึกนะเรื่องราวในอดีตตอนจาความได้ตอนเป็นเด็กนะหรือตอนเรีนหนังสือ อัน น, นเปนกัรนี่ก็หลงไปคิดนะแต่การระลึกได้หมายถึงว่าเราลึกได้ว่าตอนเนี้กำลังนั่งอยู่ระลึกได้ว่าตอนเนี้ยุงมันกัดบางคนระลึกไม่ได้นะยุงกัดไม่รู้ไม่รู้ตัวนะยุงกัดก็รู้นะมันเจ็บเกิดขึ้นก็รู้มันไม่ชอบอยากจะปัดอยากจะตบเกิดขึ้นเราก็รู้นะแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวยังไงยุงกัดมันเจ็บมันไม่ชอบก็ปบทันทีใช่ไหมอันนี้คือคนไม่รู้ตัวนะ แต่ถ้าเรารู้ตัวอ้าดงกัดเกิดขึ้นรู้ตัวมันเจ็บเกิดขึ้นรู้ตัวมันไม่ชอบเกิดขึ้นรู้ตัวมันอยากจะตบเกิดขึ้นรู้ตัวไม่ตบอ่ะท่านนีน้คือเราห้ามใจให้มันรู้สึกไม่ได้แต่เราไม่ต้องทำตามมันกับมันก็ได้ใช่ถ้าใจมันคิดในทางอากุศลมีความที่ไม่ชอบทาเกิดขึ้นเราก็แค่รู้รู้แล้วก็วางไม่ทาตามมันมันจะสั่งเรได้นะ ใจไม่เป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าเรามีสตินะมันจะเป็นธาตุนะมันไม่เป็นนายแต่ถ้าเราไม่มีสตินะอารมณ์ความคิดใจที่มันขาดสตินี่แหละมันจะเป็นนายเรานะเป็นนายให้เราไปด่าเขาเป็นนายให้เราไปตีเขาเป็นนายให้เราไปขโมอยของเขาเป็นนายให้เราไปเรียกว่าหมกมุ Roberts ่นกับอบายุบบต่างๆนั่มันเป็นนายสั่งใจของเรา เราไม่อยากเป็นไทยออกมาจากความเป็นทาตของกิเลสบ้างเหรอนะเราเป็นทาตของกิเลสเป็นทาตของความทุกข์มาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วนะนะมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะในชาตินี้นะเรามาฝึกตัวเองให้ออกจากความเป็นไทยนี่แหละนะมามีสติรู้ตัวรู้ทันกายรู้ทันใจนะเดิมแรกที่เรามาฝึกในการยกมือก็ดีหรือเดินจงกรมก็ดีนะนะ ก็คือการที่เราฝึกรู้กายก่อนเพราะกายไม่เป็นสิ่งที่หยาบเป็นสิ่งที่รู้ได้ง่ายเป็นสิ่งที่รู้ได้ชัดนะเราก็เลยฝึกให้สติคอยรู้กายนะนะเห็นกายมันเคลื่อนไหวสติเป็นคนคอยรู้ให้ดูแบบนี้นะกายเคลื่อนใจรู้กายหยุดใจรู้กายเจ็บใจรู้ประมาณนั้นนะใจที่มีสติคอยรู้กายจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ให้้ให้รู้ที่ปัจจุบันนะ อย่าไปรู้ว่ากายนะอดีตเมื่อกี้นะมันไม่เจ็บนะอย่าไปคิดตรงนั้นให้รู้ลงปัจจุบันเลยเช่นสมมติบางคนกายตัวเนี้ยนะมันเจ็บขาเราก็รู้ว่ามาเป็นเพียงแค่การเจ็บของขาแต่ไม่ใช่เราเจ็บนะถ้าเราดูนะมันจะแยกลงไปได้ชัดว่าอ๋อมันแค่เจ็บขาแต่ไม่ไม่ใช่เราเจ็บนะหรือมันปวดหัวมันก็เป็นเรื่องของหัวไม่ใช่เรื่องของเรานะ อันนี้มันจะเห็นว่ากายก็สักแต่ว่ากายแต่ไม่มีเราเข้าไปเป็นผู้เจ็บนะไม่เป็นผู้ปวดนะไม่เป็นผู้ทุกข์นะถ้าเรามีสติเราจะเห็นว่ากายสักแต่ว่ากายไปเช่นนั้นสติอยู่ต่างหากใจอยู่ต่างหากนะแต่บางทีมันก็ไม่สามารถอยู่กับกายตลอดได้บางทีความคิดเกิดขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นเราก็ไม่ไปขดข่มมันนะวิธีปฏิบัติแบบนี้ไม่ใช่ว่า ไปพยายามกมดข่มความคิดไปห้ามความคิดไปบังคับจิตนะเราปล่อยให้มันคิดเราปล่อยให้มีมอารมณ์แต่เพียงแต่ว่าเราไม่ไหลไปตามอารมณ์ไม่ไหลไปตามความคิดคอย ม, มีสติดูให้ทันเร็วๆนะคิดปุ๊บรู้ปั๊บอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมารู้ทันทีอะไรแบบนั้นนะนะเรามีสติเร็วๆนะเรียกว่าพอความคิดเกิดขึ้นเรารู้ให้เร็วๆมันก็จะเห็นนะว่าวันวันหนึ่งนี่ เราคิดมากมายเลยนะคิดมากมายเลยแต่คิดแล้วเมื่อมีสติรู้มันก็เชยๆธรรมดาไม่เป็นไรนะมันก็แค่ผ่านมาผ่านไปเท่านั้นเนี่ยนี่คือการรู้สึกตัวเหมือนกันเป็นการมีสติเหมือนกันนะนนการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เรื่องยากนะมันเป็นเรื่องแค่การกลับมาดูตัวเองในปัจจุบันแค่นั้นแหละนะเราไม่ไปดูคนอื่นนะคนอื่นเขาจะปฏิบัติแบบไหนก็เป็นเรื่องของเขา คนอืจะทําแบบไหนก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าอะไรเราเชื่อมั่นว่ากรรมใครกรรมมันนะใครทํากรรมเช่นใดก็ต้องได้รับผลเช่นนั้นนะใครทํากรรมดีก็ต้องได้รับผลดีใครทํากรรมไม่ดีก็ยังได้รับผลที่ไม่ดีนะใครทํากรรมที่เรียกว่ากรรมฐานคือกรรมในการฝึกจิตฝึกใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ก็ยังได้รับผลคือใจที่สะอาดใจบริสุทธิ์ดังนั้น เรงกรรมนี่เป็นเรื่องเฉพาะตนเลยนะพวกเราสามารถทํากรรมได้นะไม่ใช่อย่าไปคิดว่ากรรมคือสิ่งที่เราต้องชดใช้ชาวพุทธส่วนใหญ่เข้าใจกรรมว่าเป็นสิ่งที่ต้องชดใช้เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับหรือเป็นสิ่งที่ต้องนะเรียกว่าปล่อยให้เป็นตามยถากรรมนะอันนั้นเป็นกรรมที่เรียกว่าอั น, นั้เขาเรียกว่าเป็นวิบากกรรมคือกรรมคือผลของกรรมในอดีต แต่แท้ที่จริงแล้วผู้เจ้าท่านสอนท่านในเรื่องกรรมในปัจจุบันกรรมคือการกระทําของเราเนี่แหละนะการกระทำโดยการกระทําก็ดีทางกายก็ดีการกระทำโดยการพูดก็ดีการกระทำโดยการคิดก็ดีเนี่ยเป็นกรรมนะถ้าเราทํากรรมนะอันนี้ก็ต้องได้รับผลของกรรมแน่นอนดังนั้นตอนเนี้ถ้าเรามาตั้งต้นในการที่จะเรียกว่าไม่ทํากรรมที่ไม่ดีนะทำกรรมที่ดีแล้วก็ทํากรรมฐาน การชำระใจให้เราสะอาดนี่แหละมันจะนำพาชีวิตเราเป็นทางที่ดีแน่นอนนะเราสามารถได้ขีดชีวิตของเราได้นะเราสามารถนะเรียกว่าเลือกทางเดินของเราได้นะเราจะเลือกไหมเลือกเป็นคนที่ร่ํารวยมีหน้าที่การงานแต่ทุก น, นะแต่ต้องไห้เสียใจหรือเราจะเลือกเป็นคนทั้งที่เรียกว่ามีหน้าที่การงานเป็นคนที่ร่ํารวยแต่ก็สามารถมีความสุขแล้วก็ไม่ทุกข์ด้วยนะ เราก็สามารถเลือกได้นะ เ, เลือกได้แต่อย่างว่าเลือกแล้วมันจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันอยู่ที่เราเหตุปัจจัยด้วยนะบางทีก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยนะปัจจัยภายนอกบางทีมันก็มีการแข่งขันก็มีเศรษฐกิจก็มีการเมืองก็มีสังคมต่างๆซึ่งบางทีมันก็เอาแน่เอาหน่อยไม่ได้มันมีหลายเหตุปัจจัยนะปัจจัยภายนอก น, นี่ควบคุมยากมากอยาก่างฝนจะตกแดดจะออกเนี่เราควบคุมไม่ได้นะ เศรษฐกิจโลกจะเป็นแบบไหนเราก็ควบคุมไม่ได้การเมืองจะเป็นแบบไหนเราก็ควบคุมไม่ได้เราก็เป็นเพียงแค่หนึ่งเสียงเป็นเพียงแค่หนึ่งคนเหตุปัจจัยภายนอกนี่ยมันควบคุมยากมากแต่การฝึกใจเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเรียกว่าควบคุมได้ก็ว่าแบบนั้นก็ได้นะคือเราสามารถเลือกได้นะเราสามารถเรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ได้นะเรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนจากความหลงเป็นความไม่หลงได้ เร า, ามีสิทธิ์ที่จะเรียกว่ามีสติรู้ทุกครั้งนะรู้ บ, บ่อยๆเราก็สามารถมีสิทธิ์ได้ถ้าเราฝึกดีนะถ้าเราฝึกดีหรือว่าถ้าเราตั้งใจฝึกนะมันก็สามารถมีสิทธิ์ของเราได้นะพราะนั้นเราจะเห็นว่าเหตุปัจจัยภายนอกเนี่ยบางทีเราเราไม่สามารถบังคับเลยเปลี่ยนแปลงได้แต่เหตุปัจจัยภายในของเราเนี่ยนะเร า, ามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ได้นะ แต่เราบางทีก็เป็นธรรมดามันมีความหลงบ้างมีความเผลอบ้างมีความลืมบ้างก็เป็นธรรมดาเพราะว่ามันเป็นความเคยชินเก่าแต่พอเรารู้ทันนะมันจะกลับมากลับมาอยู่กับตัวเองกลับมารู้ตัวถอนออกจากความทุกข์ได้อันนี้คือการฝึกหัดนะดังนั้นในภาคการปฏิบัติธรรมหรือว่าการมาเจริญสติตรงนี้จึงเป็นภาคที่สําคัญเนาะเพราะว่าเราอาจจะได้ยินได้ฟัง ทุกเชา้าทุกเย็นหรือทุกครั้งที่เริ่มปฏิบัติก็อาจจะมีพระคอยแนะนําสั่งสอนก็ดีหรือหลายคนอาจจะเคยอ่านหนังสือธรรมะมามากพอสมควรก็ดีหรือหลายคนอาจจะเคยฟังทำปฏิบัติธรรมมาพอสมควรแล้วก็ดีแต่เหตุพวกนี้นะมันยังมันก็อาจจะยังไม่พอนะเพราะว่าความหลงมันก็มีมากความทุกข์มันก็เกิดขึ้นได้มากเราก็เลยต้องอาศัยเรียกว่าภาคปฏิบัตินะ ภาคการได้ยินได้ฟังการได้อ่านการได้คิดไข่ควรนะหลายคนก็คงคิดตกคิดได้หรือบางคนอาจจะเริ่มคิดนะก็ไม่เป็นไรนะแต่ให้เราเป็นภาคของการภาวนาหรือการกระทําการปฏิบัติธรรมให้ควบคู่ไปด้วยเนาะให้ควบคู่ไปด้วยมันจะได้เข้าถึงจิตถึงใจนะเพราะการฟังก็ดีการอ่านก็ดีส่วนใหญ่มันถึงแค่ความถึงแค่สมองนะถึงแค่ ปัญญาในทางโลกนะในการคิดไข้ควรได้แต่การภาวนาจะทําให้เราออกจากความทุกข์ได้ถ้าเมื่อไหรนะที่เราเห็นความคิดเน่ยเมื่อนั้นเราจะเห็นโอ้ยมันทุกข์เพราะความคิดนี่เองนะ <S <S ถ้าเมื่อไรที่เราเห็นความโกรธโอ้ยเราสามารถเลือกที่จะไม่โกรธก็ได้นะ <S <S นะถ้าเมื่อไรที่เราเห็นถึงจิตเห็นถึงใจตัวเองจริงๆนะเราจะเห็นเลยว่าต้นตอความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ใครเลยนะมันอยู่ที่ตัวเรา นะอยู่ที่ตัวเราที่ไปถือเองไปยึดเองไปแบกเองนะมันจะเห็นว่าใจเรานี่แหละที่วางไว้ผิดมันมานํามาซึ่งความทุกข์แต่ถ้าใจที่วางไว้ถูกในทางที่ชอบอะไร ก, ก็ไม่ทุกข์นะเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ทุกข์มันก็ทุกข์แต่กายแต่ใจไม่ทุกข์สุดท้ายจะตายหรือว่าเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องเราจะตาย มันก็ไม่ทุกข์เพราะว่าอะไรมันเห็นว่าความตายเป็นธรรมดานะแต่ความทุกข์เป็นสิ่งที่เราไปแบกเองนะอันเนี้ยถ้าเราเห็นตรงเนี้ยนะมันจะเกิดปัญญาได้นะมีมี <c oughs> มครูบาอาจารย์รูปหนึ่งท่านเรียกว่าท่านเคยไปเทศนะไปเทศแล้วก็สมัยก่อนก็พาลุกสิทธิ์ไปด้วยลุกสิทธิ์ก็ไปด้วยสมัยก่อนรองเท้ายางอาจจะไม่ค่อยแพร่หลายนักนะ แต่ก่อนคนจีนส่วนใหญ่เขาใช้รองเท้าเกีย้ยที่ทําจากไม้นะไม้ไผ่บาที่เดินขึ้นบันไดเดินตามพื้นไม้ก็จะเสียงดังนะก่อนที่ท่านจะเทศพอดีว่านะก็ไปพักผ่อนรอก่อนนะอยู่บ้านข้างๆบ้านเจ้าภาพก็คงเตรียมงานจัดงานอยู่นะคนก็ขึ้นขึ้ น, นลงๆนะก็ใส่รองเท้าเกีย้ยนะรองเท้าไม้นะ่ะเดินเสียงดังหลวงพ่อท่านก็นอนพักผ่อน นะสบายๆแต่ถ้าไม่ได้นอนดับนะนอนแบบเองๆเพราะว่าท่านอายุมากแล้วนะหลวงปู่บุ ด, ดานะท่านอายุมากแล้วลูกศิษย์อยู่ข้างๆเนาะก็อยู่กับหลวงปู่อะไรนะก็าําคาญเสียงที่เกิดจากรองเท้าที่กระทบกับพื้นไม้เสียงดังนะก็นึกว่าหลวงปู่ท่านดับแล้วก็ก็เลยแบบทนไม่ไหวก็เลยบ่นออกมาตอนแรกก็คงบ่นในใจมานานแล้วนะนะก็เลยพูดออกมาโดยๆว่าเสียง เดินเสียงดังไม่มีมารยาทหน่าลำคาญนะหลวงปู่ท่านก็พูดเบาๆไม่ดูท่านดื่มตาแต่ไม่ดื่มตานะอ่าเขาก็เดินของเขา่เราอันนี้อาจจะมาอาจจะเสริมนะเราเสือกเอาหูไปลองเกีย้ยเขาเองนะคือ <c ười> เขาก็เดินของเขานะแต่เราเอาหูเอาความไม่ชอบใจของเราเนะี่ยที่จริงเอาใจของเราเนะ่ไปลองเกีย้ยเขาไปลองความไม่พอใจของเราเองนี่แหละนะมาเป็นสิ่งที่เราไปทําเองนะ ถ้าเรารู้ทันนะ่ะอ๋อใจเราเนี่ยแหละมันไปลองความลองรับความทุกข์นะของมันเองแต่ถ้าเรารู้ทันอ้อก็ถอนออกมานะแต่บางทีมันก็ห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำนะคือถอนออกมาใหม่อ้อเมื่อเรารู้ว่าเราเอาความไม่พอใจมีความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วก็ไปยึดมันไว้นะะั่นแหละเมื่อเรารู้ทันันก็วางอันนั้นแหละเรียกว่าการปล่อยวางนะ การปล่อยวางคือการรู้อารมณ์ว่าใจไปยึดถือแล้วมันทุกข์มันก็วางของมันนะการปล่อยวางไม่ใช่ว่าการที่ไม่ทำอะไรหรือการไม่สนใจรับรู้ไม่สนใจผู้อื่นหรือว่าเป็นการเพิกเฉยกับหน้าที่ของรับผิด ช, ชอบเราจะไปคิดว่าการปล่อยวางรู้เบรคขาในชาวพุทธคือแบบนั้นนะมันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนขี้เกียจ เป็นคนที่นิ่งดูได้เป็นคนที่เรียกว่าไม่สนใจคนอื่นไม่สนใจสังคมแต่แท้จริงแล้วการปล่อยวางคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ไปยึดอะไรแล้วมันเกิดความทุกข์เมื่อนั้นใจมันจะถอนจากความทุกข์นั่นคือการปล่อยวางแต่า ก, การปล่อยวางก็ควบคู่กับการทําหน้าที่ด้วยนะเรามีหน้าที่นะอยมางคนบอกว่าเรียนหนังสือนะบางทีมันจะสอบนะมันเครียด ทำไงดีละ่นะถึงจะไม่ทุกขนะ์ไม่เรียนเหรอนะก็ได้นะแต่ก็ไม่ได้ปปิญญานะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปสอนก็มีมีนิติปริญญาโทคณะวิศวะมเกษตรคนหนึ่งก็ก็ถามว่าจะปล่อยวางเรื่องวิทยานิพนธ์ดีไหม <c oughs> นะเพราะว่าเขาเครียดเรื่องวิทยานิพนธ์นะจะปล่อยวางแบบไหนดีนะ ไปวางโดยกันไม่ต้องทําได้ไหมอาจารยมาก็บอก <c oughs> ก, ก็ได้นะ่ะก็วางก็ได้แต่คุณก็ไม่จบนะนะเพราะเงินใครแล้วคุณจะต้องทำวิญญาณนิพนธ์ถึงจะจบนะมันไม่ใช่วางแบบเรียว่าไม่ทําอะไรนะแต่มันอยู่ที่การวางใจเมื่อเครียดเราก็วางซะนะ่ะเมื่อมันสบายใจขึ้นมาก็มาทําต่อนะหรือบางทีก็พอเห็นความเครียดแล้วมันก็จะหายเครียดของมันแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะ่ะเรียกว่าทําหน้าที่นะ่ะ การปวางก็ต้องคู่กับการทําหน้าที่บางคนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นลูกไม่ดีก็ทําหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนเป็นครูบาอาจารย์ก็ทําหน้าที่ในการบอกสอนลูกศิษย์นะลูกศิษย์ก็มีหน้าที่ในการตั้งใจเรียนตั้งใจเชื่อฟังหรือว่าทําหน้าที่ในการกรตัญญูต่อผู้มีพระคุณนัเรแต่ละคนก็มีหน้าที่นะมีหน้าที่ฉะนั้นการทําหน้าที่น่ยคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งธรรมะแปลว่าการทําหน้าที่ก็ได้นะ เราทําหน้าที่ของเราให้ถูกนี่ก็คือเราประพฤติทำแล้วนะทําหน้าที่แต่ก็มีหน้าที่อย่างนึงคือหน้าที่ที่จะไม่ให้ไม่ทุกข์ด้วยนะเพราะบางทีคนทําหน้าที่นะก็ยึดว่าตัวเองทําหน้าที่แต่ก็ทุกไปด้วยเช่นพ่อแม่ก็พยายามจะสอนให้ลูกเป็นคนดีแต่ลูกมันไม่ดีนะเราก็ทําหน้าที่ถูกแล้วแต่เราก็ยังไปหลงไปทุกข์อีกนะแต่ว่าเราดื่มเราดื่มการทําหน้าที่ทางใจนะ ส่วนนึงเราทําหน้าที่ทางกายในการเป็นพ่อเป็นแม่ในการเป็นครูในทางที่ดีกับลูกกับลูกศิษย์แล้วเราต้องไปดูหน้าที่ทางใจคือการปล่อยวางของทุกใจด้วยนะเรามีหน้าที่สองอย่างนะหน้าที่ทางโลกเราก็ต้องกระทํานะแม้จะเป็นพระก็ต้องกระทําหน้าที่ทางโลกในการสอนในการบิณฑบาตในการทําวัดในการที่ได้ว่าต้องรักษาศีลมัเป็นสิ่งที่ทางโลกเขาคาดหวังจากพระเราก็ต้องทํา นะแต่หนะ้าที่ทางธรรมซึ่งมันไม่เกี่ยวว่าเราจะเป็นพระหรือเป็นแม่ชีหรือว่าเป็นโยมถ้าใครทําคนนั้นก็เรียกว่าได้ปัญญาคือการปล่อยวางคือการไม่ทุกข์นะแต่ถ้าใครไม่ทําจะเป็นพระเป็นแม่ชีหรือเป็นโยมก็ทุกข์นะมันไม่เกี่ยวว่าใส่เสื้อแบบไหนนุ่งห่มแบบใดโคนหัวหรือไม่โกนหัวไม่ไม่เกี่ยวเพราะมันอยู่ที่ใจที่ไปยึดถือใจที่ ไ, ไปยึดมั่น ใจที่มีไม่มีสตินั่นแหละมันจะทุบนะให้พวกเราเห็นนะพวกนี้เป็นหน้าที่ของเราอยากให้เราได้ทาหน้าที่นะทำหน้าที่ในการฝึกหัดจิตใจในการดูแลจิตใจให้มันเกิดปัญญานะเพราะถ้าเราได้ปัญญาในตรงนี้เราจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะอยู่ในวัดก็ได้อยู่ในโรงพยาบาลก็ได้ออกไปทำไรทำนาก็ได้นะจะเป็นใครก็ได้ในสังคมในตาแหน่งหน้าที่การงานไหนก็ได้ เาจะเป็นคนที่มีคุณภาพในการทําหน้าที่นั้นให้ดีนะเราก็จะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นกัรยามมิตรให้กับคนอื่นด้วยเพราะว่าอะไรเพราะเรามีความมีปัญญาในการที่จะเรียกว่าไม่ทุกใจหรือทุกน้อยหรือบางทีเราก็เป็นที่ปรึกษาช่วยแก้ปัญหาให้กับเพื่อนเราก็ได้ที่เขามีความทุกข์อันนะั้เราก็จะเป็นคนที่สม บ, บูรณ์ขึ้นเรื่อยๆนะเป็นคนที่ได้เกิดมาในชีวิตนี้แล้วได้รู้จักการทําหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์ตนและเกิดประโยชน์ท่านนะทำหน้าที่ในการที่จะพาจิตพาใจออกจากความทุกข์นี่จะถือว่าเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งก็ได้นะสำหรับการที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์นะอยากให้พวกเราได้ระลึกถึงตรง น, นี้เสมอนะหน้าที่ของเราไม่ใช่มีแค่เรียนแค่ทำงานและสุดท้ายก็แก่เจ็บตายไปสุดท้ายเงินที่หามาเป็นร้อยล้านก็ไปไม่ได้นะโศัพท์สักเครื่องหนึ่งก็ไปไม่ได้ เสอสักตัวก็ไปไม่ได้แม้แต่เงินที่เขาใส่ในปากเรายังเอาไปไม่ได้จะเอาอะไรไปได้เรามีแต่กรรมกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามเนี่ยที่มันจะพาต่อไปเรามีแต่การฝึกจิตฝึกใจเท่านั้นที่จะพาเราไปสู่พวพภูมิไหนก็ดีหรือว่าจะพาไปสู่การไม่กลับมาเกิดแล้วก็ดีมันมีแต่สิ่งนี้นะที่จะพาเราไปได้นะเราต้องทําหน้าที่ทั้งทางโลกก็ทางธรรมให้สมบูรณ์เนาะอ่า กระผมหรือว่าอรตมาก็คงเรียกว่าฝากให้พวกเราเป็นแง่คิดแล้วก็เป็นกำลังใจเนาะให้พวกเราได้ทำความเพียรสิดต่อกันไปนะ